ที่กา เคยหวงห้ามข้ามเททขตข้างคกที่นาำคุณมาพึ่งใบบุนเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเลื่องชื่อหลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำ ท่า น, นั่นแนรักคุณคนไทยรักชาติและศาสนา้าอ้องเจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจ ยังอี อยู่ต่อได้อีกนา